ชาวันนี้ะสงกันมาทำวัด10รูปจำนวนหนึ่งอยอดโยง22ท่าน30ปศชีวิตที่มาสวดมนต์ธรรมจารึกกันเราก็ได้สวดผสมกันด้วยธรรมาปาหัง มันก็ไม่ได้สวนกันเฉยๆตระละาประโยคเราก็น้อมเข้ามาจิตใจของเราได้อยู่วัดอยู่วาพระพิทวัดปฏิบัติธรรมเจริญสติเป้าหมายหลัก นี่เรียกว่าเป็นเนื้อแท้มันแก่นแทก้การที่เราได้มาใช้ชีวิตแต่ละวันแต่ละวันในรูปแบบในเครื่องแบบในสถานที่จะมีแบบของชุมชนวิถีของชุมชน มันมีความเจริญงอกงามเป็นบนุญเป็นกุศลใหม่มากน้อยเพียงใดคิดตื่นขึ้นไหมรู้สึกตัวมากขึ้นไหมเจริญสติสติมเจริญึ้นมากไหมเกิดปัญญาเกิดศีลเกิดธรรมเพิ่งตัวอย่างได้ไหม เวลามีอารมณ์มากระทบบั่นไหวมากไหมออาไปดีความออกไปกล่าวโทษทำไมทำไมทำไมรือเราพยายามดัด่ดัดแปลงแก้ไขตนสอนตนกลับมาหาตัวหลักของกรรมฐาน กายเคลื่อนไหวใจรู้กายทำใจทำด้วยเคลื่อนไหวรู้สึกรู้สึกเปิดจิตรู้สึกปลอดภัยตัวก้างได้กลับมาหาตัวเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวจนมันรู้ตัวสาระขางกายจนมันรู้ รอบกองของขานจะมีความรู้อะไรเกิดขึ้นที่ปัญญวนกระดาเมื่อรู้รู้นอกรู้ในอุจจนในรู้ไปข้างนอกปฏิบัติไม่ถูกก็จมเข้าไปข้างในทําไงถึงจะมีความเป็นกลางมอ ก, ก็รู้ในก็รู้รู้แล้วก็ไปไม่ยึดมันก็ต้องฝึกให้ถูก หัดให้เป็นมาฝึกมาหัดกันจริงๆมันก็จะเป็นขณะจิตใหม่ใหม่ตลอดเวลาที่แล้วก็แล้วไปที่มันไม่แล้วก็เป็นทุกข์นั่นแหละทำไมก็ทำกับเราทำไมต้องเกิดกับเรา ความทุกข์เก่าๆปัญหาเก่าๆที่แก้ไม่ตกก็เนื่องจากไม่เคยจับสภาวะของปัจจุบันกันนะรู้สึกเป็นปกติได้ถ้เรารู้สึกตัวเป็นก็สลัดสลัดคืนมันำเป็นสลัดไปแล้วคืนไปแล้วมารู้จักข่มใจข่มใจตัวเองได้ รู้จักปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนได้จากทุกเป็นไม่ทุกมันทำได้จากหลงเป็นรลุมันทำเป็นรู้จักที่จะเอาตัวรอดได้พราะในตัวปฏิบัติมีลักษณะของการปรับเปลี่ยนปนคลายบรรเทาแก้ไขมันเป็นตัวสติปัญญา รู้เอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างจิมปลากฏไม่ได้รีบสรุปเหมนรับเหมนไปเสดมันรู้ใจใ จ, ใจรู้เก็บข้อนมนูลเห็นอาการสภาพธรรมต่างๆของกายของจิตแต่ว่าจิตใจใเรื่องของความคิดมีละเอียดนิดนึงแต่มาฝึกสติแล้วเคลื่อนไหว มันก็รัดรัดสั้นๆลงไปเลยสู่ความไม่ทุกข์ถูกความไม่ต้องเข้าไปยึดถ้าจะยึดถ้าจะถือมาเป็นการยึดถือมาใช้เป็นความรู้เป็นการทําหน้าที่มาเสร็จาแล้วมันก็วางมันปล่อยถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรถือแบบงอหลงงงงาย ก็รู้เฉาว่าของปบลาณที่สถานหรือว่าทมาที่สถานเป็นสมมุติอย่างไรเป็นปรมัติอย่างไรความรู้สึกที่เป็นสมมุติเป็นยังไงเป็นปรมัติยังไงปฏิบัติรูปแบบที่เป็นสมมุติยังไงเป็นปรมัติยังไงปรมัติหมายถึงว่ามันจริงต่อหน้าต่อตาเป็นความจริง สมมตินั่นกัเป็นจริงเหมือนกันแตมันจริงแบบสมมุติสมมติกันสมมติว่าเบิลสมมุติบาบาปสมมติกันสมมติว่าดีสมมุติว่าชั่วสมมติกันไปสมมติว่าสุขสมมุติว่าทุกข์มันมีเหนือนั่นอีกการที่มันเห็นแล้วเกิดอาการต่างๆที่มันเป็นปกติขึ้นมา มันมีไหลหไปตามอาการเหล่านั้ น, นว่ามรู้สึกเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับเป็นปัจจุบันอันนี้มันมีเกี่ยวกับนอกมันได้เกี่ยวกับในนอกก็รู้ได้ในก็รู้ได้อูปธรรมหยาบๆ ก, กายเคลื่อนไหวก็รู้ได้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้ได้เป็นอาการเป็นธรรมชาติตรงนี้แหละมันเป็นเกล็ดเป็นเกลน เป็นปัญญาที่ปาวิมุตต์หลุดพ้นเหนืทุกข์แต่ว่าก่อนจะเกิดสะปวาวะธรรมเหล่านี้มันก็ต้องฝึกสติลึกรู้ลึกรู้เป้าที่อยากที่สุดการเคลื่อนการไหวของกายเรานะวัตถุรูปธรรมเราเห็นตัวเราเคลื่อนไหวอย่า ง, งถ้ามันโยไปเห็นใบไม้ไหวเนี่ยนะ ลมพัดแรงๆไปไม่ไหวในยินเสียงไก่ขันลมพัดเสียงอะไรก็ตามมันก็เป็นเสียงธรรมเลยเห็นก็นอกเป็นงานเห็นธรรมเหมือนกันมีทั้งภายนอกทั้งภายในเป็นสิ่งเดียวกันมันก็เป็นความรู้รู้ตัวไายสัมปัสตากระทบหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรด สมองนะึกคิดปรุงแต่งจิตใจสัมผัสกรัรลงอะไรก็ตามมันก็เป็นความรู้สึกตัวทั้งนั่นแหละเราก็จึงฝึกหัดกันไปตามกําลังของแต่ละบุคคลงหัวมากงหัวน้อยฉลาดมากฉลาดน้อยสติมากสติน้อยรู้มากรู้น้อยหลงมากหลงน้อยมันมีกําลังของมันมันจะเป็นตัว ชีวิตของใครของเราที่ต้องตื่นนายเจ้าๆแล้วก็รับรูรับทราบจริ ส, จสติสติที่มันมีอยู่ตามกำลังมันจะบอกทิศบอกทางเราเองฝึกอย่างเดียวนี่แหละดูกายเห็นกายตามความเป็นจริงประเดี๋ยวมันก็ไปก็มันแล้วมันเป็นมระต เป็นของพุท ธ, ธิภาวะเป็นทัธธ้งพุทธิภาวะเป็นทั้งสภาวะธรรมต่างๆถึงเรียกว่าภาวนาภาวนาม่นจะเป็นเรื่องของสภาวะธรรมต่างๆที่มันมีอยู่แต่เรามีสติมีตาในในสัมผัสื่องจากเราจเจริญสติจเจริญสมัมป ะ, ะเจริญปัญญาจเจริญสมาธิ จริญสติเจริญปัญญาเจริญสมาธิมันเป็นทั้งหมดแล้วในความรู้สึกตัวเพราะฉนั้นบุญเก่าบุญเก่าที่เราไปสร้างไว้ความดีความงามมันก็เป็นบุญอยู่แล้วละมันไงผลอยู่แล้วละไม่ได้หายไปไหนหรือว่าบาป ก, การรมต่างๆที่เราไปทำไว้นาดีมันก็ไม่ได้หายไปไหนเพราะฉะนั้นปัจจุบันขนาดลาใสบุญใหม่ ันีจิตใจเฉลาดขึ้นเหมือนกับนางวิสาขานางวิสาขานี่เป็นเบญจะกาลยานีมีความสวยความงามมาก่านะในนี้เรากไม่รู้ว่าใครเทียบเคียงได้กับนางวิสาขามากน้อยแค่ไหนมีความงามผมงามหนึ่งแล้วมีฟันที่งาม หนึ่งปีปากที่งามสองมีผิวที่งามสามมีอะไรก็แล้มีความมึดงามห้าอย่างนั้นทีนี้พ่อปัวนี่มีความเคารพมากนางวิสาขาเนื่องจากนางเองครั้งหนึ่งเคยสร้างเวากรรมเอาไว้ กับพ่อผัวก็คื อ, อบอกหัวใบเสีไม่ค่อยใส่บาทหรือไม่ยอมใส่บาทให้กับพระสงมันก็จึงปรญยาที่จะสร้างพ่อผัวให้มีสัมมาทิฏฐิพยายามสร้างเรื่องราวร้าเช้าวันหนึ่งก็บอกพระสอ์ว่าให้ไปครั้งหน้าก่อน ไปบ้านข้างหน้าพ่อผัวกาลังกินของเก่าอยู่กําลังกินของเก่าพ่อผัวมีความรูํสึกว่าเออไมลกูกสไปพูดจาถากถางดูถูกหาว่าตัวเองเนี่ยกินของบูตรของเน่ากอคิดอย่างนั้นท้ายสุดก็น้อยใจทะเลาะกันกับลูกสไปร์ เจ้าสไปกับวาณชี้แจงว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นไม่ได้กล่าวอย่างนั้นลองไปทูถามองค์ทมิติสัมสมาเจ้าดูดูที่ท่านจะตอบว่าอย่างไงองค์ตมิติสัมสมาวเจ้าบอกเ อ, อานังวิสาขาพูดถูกแล้วเศษตีนโมตะกินของเก่าอยู่ไม่สร้างบุญใหม่โดยการทําทานรักษาศีลภาวานาคนนะี้นเป็นบุญใหม่ ที่เก่าทำมาแล้วมันก็สะสมไปแล้วก็แล้วไปแต่ชีวิตเราประมาณไม่ได้จึิงเราต้องสร้างปัจจุบันกันนะทำดีอยู่เสมอคิดดีพูดดีทาดีเนี่ยมันเป็นบุญพอปั่ก็เลยเคารพนางวิสาขาอย่างมากตอนหลังก็เป็นจำมาทิติทำบุญทำทานรักษาศีลภาว น, นา นาวิสาขาก็เป็นมหาอุบาสิกานะที่สนับสนุนเขากะตั่งผระสงฆ์ต่างๆให้ความเคารพกันอันนี้ก็คือลรกษณะของบุญแล้วเรามาทำบุญที่วัดป่าสุขโตสถานที่นี้ก็ให้ทำบุญด้วยการฝึก ส, สติที่มาตกเตียงกันาถูกอาปิดในหัวข้อธรรมแล้วมันเป็นลนักษณะของ เนื้ อ, งงอนะเงาะโดยเรียกว่าขี้เลี้ยวก็อะไรนะทำมีมากมายแล้วเกินจะถกเถียงเอาถูกเอาผิดกันไนะ้มนะันระู้จัจบจากสิ้นกันน่ะแต่ว่ากาแก่นนั้มันจริงๆเนี่ยก็คือการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวนะแก่นเดียวนั้นใครหยุดก่อนก็ได้เปรียบแล้วหยุดมาหมาความรู้สึกตัวก่อนนะตรงนี้ยมันจะเป็นเรื่องของทนะ ที่เป็นแก่นเป็นสาละของธรรมที่เรามาอยู่ร่วมกันประติปฏิบัติกันตรงนี้เคลื่อนไหวรู้สึกตัวเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเราก็สังเกตอารมณ์มาแล้วกันทรามีอาการงอก ง, ง่วงหัวที่หัวตามเซโซโซโซเ ซ, ซ, ซ, ซในขณะปฏิบัติก็แสดงว่าจิตกำลังอยู่ในนิวรธรรมมันไม่ได้มีสติอะไรหรอกาะจะมีสติสติเป็นชาคริยานุโยก มันจะเป็นง่วงเหงาเงานอนมันก็บอกทันทีว่าบุญขาดบุญปัญญาขาดปัญญาสติขาดสติมันบอกทันทีอยู่แล้วแหละเราก็เห็นกันถ้าตับงงหัวงง ห, หัวเงยหัวที่หัวตันแสดงว่าอาการอารมณ์จิตที่มันมีสติมันอยู่ภายใต้อารมณ์ไม่รู้สึกตัวชัดก็แสดงว่าหนึ่งวันสองวันสามวัน หนึ่งปีสองปีสามปีนะไม่ได้ฝึกษาตัวเองเลยมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้เป็นคําพูดหลวงพ่อเลยนะถ้าไปบัตรหัวที่หัวตามหัวง้อหวัวเงยยังไม่ได้ะะไปบัตรเลยเลยพูดอย่างนี้เลยแสดงว่าไม่ได้รู้จักเลยนิวรณธรรมคืออะไรเพราะฉะนั้นให้ตื่นเข้าไว้จิตตื่นเข้าไว้เดี๋ยวว่าทำวัดเสด็จมลจิตตื่นจะไม่ได้ฝึกให้เป็นคนตาบอด มันนั่งหลับหูหลับตาแล้วมันก็ไม่ใช่แต่ถ้าฟังทำแล้วก็หลับตานี้พอได้นะพอได้เพราะว่าเวลาเราหลับตาแล้วก็เปิดทวัานหูไว้นี่มันจะชัดเจนมากหูเนะี่ยมันจะได้ยินดีคนใกล้ตายเนะี่ยเจอมาหลายศพแล้วมันจะชัดเวลาพูดถอปนะน้ำตาคลอเลยน้ำหูตาไหลเอาอเลยมีที่จันผู้เรียเคยไป สมัยหนึ่งเคยไปเยี่ยมมีสักเป็นพี่ชายรองผู้ในการของโรงพยาบาลวัดปกเก้าจย์ทบุรีแล้วว่าเป็นผู้ในการโรงพยาบาลตากสินจันทบุรีมีลูกชายลูกชายก็ติดยาเสพติดพ่อห้ามกลางคนไม่ให้ไปเสพยามันก็ยังว่าละยาฤทธิย า, ยาเสพติดมันก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครมันก็บอกพ่ออย่าฟังผมนะ เดี๋ยวนะผมจะทําปีตุกาตไม่ได้ไปสู่มรรคผลนิพพาน่หรอกอย่าว่าห้านนะเสร็จแล้วมันก็สลัดปอมันีเดียวนะล้มร่วงกระแทบ้ายจ็ไปนอนโรงพยาบาลในห้อง ICU สองเดือนก็ตายพอไปเยี่ยมเขาไปดูในห้อง ICU ียูพยาบาลเห็นพระไปก็เลยพาไปดูคนไข้อีกรายหนึ่ง ก็เห็นเขานอนนิ่งพัจจบาลก็บอกว่าเขาหมดควารมรู้สึกไปแล้วให้อาจารย์มาดูนิดหนึ่งให้กําลังใจกับญาติพี่น้องก็หน่อยก็ไปกับหลวงพ่อม เ, เ, เ, เขียนกับหลวงตะกลมเนี่แหละไปกันหลวงพ่อมเขียนก็บอกว่าอาจารย์สงสินลองพูดลองกลัว ก, ก็ดูผมรด้ธรมาก็บอกว่าหลวงพ่อมาหลวงพ่อว่า ล, ลองทําให้ผมดูก็แล้วกัน อาจารย์มาอาจารย์ก็ทำด้วยหลวงพ่อก็บอกว่าอาจารย์สงสินลองดูลองทําดูก็เกี่ยมกันอยู่พักหนึ่งให้หลวงตะกรมหลวงตะกลมไปพูดกับคนไข้หลวงตะกรมก็ไปพูดอาจารย์สงสินก็ลองพูดดูแล้วก็เลยพูดกับเขาว่าโอ้เนี่ยพระมายืนกันสามโลกจากใจพภูมิหลวงพ่อคาเขียนหลวงตะกรมอัตมา มาสามลูกมาเยี่ยมนะเออแม่บุญพาแม่บุญพามาแม่บุญพามา <c oughs> มีความสําเร็จสูงนะชีวิตเนี่ยเคยเป็นครูบาอาจารย์มีลูกมีหลานมีความสําเร็จรับราชการทุกคนเลยแม่มีความสําเร็จมากนะออื ทคยทำงานมาเน็ตไหนแม่ลามาพอสมควรดีเดียวสังขารรักษาร่างกายของเราผักชนะตอนนี้ผักษาให้พยาบาลก็ดูแลนะให้พยาบาลดูแลใจในวางเลยไม่ต้องไปสนใจมันแล้วร่างกายของเรามันปูมันพังเหมือนรถเก่าๆวิ่งไม่ได้จอดซ่อมก็ก็ไม่ไหววางเถอะวางเถอะวางเถอะ ทำใจให้วางว่างดูโลไม้ใจรับรู้ได้ยินเสียงตอนนี้ไหมเนะ่ยนะพระก็มีความดีความงามนะีม่มาเยี่ยมมายามไม่ต้องทุกข์ก็ได้นะไม่ต้องทุกข์ก็พูดไปตอนองเนียโทนนี้แหลนะบอกเขา ee, พูดไม่นานนะพี้ที่พยาบาลบอกไม่รู้สึกไม่รู้สึกกต่ปกากน้ำตามันคลอเข้ามา ดันขวามือตาขวานะมันตาซึมออกอืแสดงว่ารู้สึกตัวอยู่ใช่ไหมตอนนี้อพระมีบุญเท่าไหร่ให้หมดให้โยมหมดเลยนะทําบุญทําทานมาหรือว่าทําดีมาบุญมีเท่าไหร่ยกให้โยมเลยเอาบุญไปด้วยนะแม่บุญปามาตอนนี้ลูกก็ก็ไม่ห่วงแม่แล้วแม่ก็ไม่ต้องห่วงลูกนะ ลูกๆทุกคนไม่ได้โศกเศร้านะมีแต่ภูมออิอบภูมิใจในตัวของแม่แหะรับรองลูกๆจะไม่ทะเลาะ ก, กันเลย mm hmm. พูดไปอย่างนี้ยให้สบายใจ mm hmm. ก็เลยบอกว่าเราที่แม่อยู่วัดจุฬาก็คงไม่ต้องรอวันที่พ่อไปบอก mm hmm. บอกกับตัวเอง mm hmm. มีความรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวนะ mm hmm. หลายคนอยู่วัดจุฬาปฏิบัติธรรมกันหลายศพแล้ว ที่ไปพูดอยู่ข้างๆหูอ่ะศพแล้วศพเล้วศพแล้วศพเล้ลนะ่ะมันก็เรื่องของว่าเราต้องเตรียมตัวกันแล้วเตรียมตัวตายสี่คนหาสามคนแห่หนึ่งคนนั่งแกลสองคนพาไปก็คือบนบามพาไปจิตใจของเรามันอยู่กับกายนัรู้จักกันใะอะไรเป็นกายอะไรเป็นจิตใจอะไรเป็นรูกธรรมอะไรเป็นนามธรรม อะไรเป็นตัวสติอะไรเป็นตัวสมาธิอะไรเป็นตัวปัญญามันอยู่ในความรู้สึกตัวอย่างไรเมื่อรู้สึกตัวแล้วผลประยาข้างเคียงของชีวิตเร า, เงง า, าเมันเป็นยังไงขณะนี้ขนานี้เลยมันเป็นยังไงเราก็สามารถที่จะแยกเยะได้อะไรเป็นแก่นอะไรเป็นส่วนขี้ริ้วอะไรเงี้ยนะมันก็สามารถแยกแยกได้นะ ท, ทุกทครั้งที่สัมผัสรูกความรู้สึกตัวมันจึงวัดเราตลอดเวลา เหล่ า, าว่าเราเดินทางอยู่ว่าหลงทางอยู่กลับมาหาความรู้สึกตัวถูกทางถูกทิศมันก็เดินทางสู่การพ้นทุกข์มันเป็นมรรคผลนิพพานเดินไหลสู่ความเป็นปกติความเป็นปกติมันก็คือนิพพานเราเป็นนิพพานชิมลองท่าสุขท่าทุกข์มันก็กลายเป็นเรื่องของพบภูมิต่างๆเป็นเทวดาเทวดาก็มีหลายชั้นเหลือเกินหกชั้น ชั้นที่มันไม่ต้องในลมิตเองมีคนอื่นก็ในระมิตให้เรียกว่า p a ิน i a m e n t สวัสดีหรือว่า parliament สุรศสวัสดีมันก็เป็นพบภูมิที่เทวดายัางต้องเหมือนกับว่ามีวัตถุหนึ่งสอสามบุคคลหนึ่งสอสเกี่ยวข้องสามารถที่มีคนให้เรานะ เพราะนั้นคนเวลาใกล้ตายพระต้องไปบอกนะส่วนใหญ่ก็ตกพบปูมแบบนี้แหละเป็นเทวดาต้องยกจิตยกใจขึ้นมาเนเรมิตรให้ร้างนิมิตให้แห ล, ละนิมิตให้เกิดบุญขึ้นมาทาเองก็ได้ก็จะได้เฉพาะบางคนที่มีกรรมมาสัมพันธ์มีธรรมมสัมพันธ์มีอาธิวาสนาร่วมกันแต่ใครไม่ได้มีการทำ ม, มะ สัมพันธ์กันหรือว่ากรรมกรรมสัมพันธ์กันการกระทำสัมพันธ์กันมาได้มีอธิวาสนาร่วมกันก็ไม่รู้ไปพบภูมิไหนก็มาละตุลนตุลายเรียกหลูกเรียกหลานกลัวอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่วัดรำมนานก็ยังกลัวอยู่มัมีเวลานึงอยู่ที่วัดป่าสุกโตนักลัวไม่รู้ว่าจะไปทิศทางไหนตอนแรกมาวัดป่าสุกโตแต่ว่าไม่ค่อยปฏิบัติทำ แล้วก็หาว่าการปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยรู้สึกตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันยังยึดติดรูปแบบกันอยู่ก็ไปหาไล่รูปแบบวัดนี้ก็ไม่ต้องทําในรูปแบบแล้วก็นิพพานทันทีใครที่เข้าอยู่ในรั้ววัดก็สามารถที่เข้าสู่สภาวะของความเป็นพระอรหันต์ได้ทันทีหรือไม่ภริยาชั้นใดชั้นหนึ่งแต่ไม่ต้องปฏิบัติธรรมนะมิแต่ปล่อยมิแต่าวางเลยลูกวางเลยลูกปล่อยเลยลูกปล่อยเลย ล, uk, ลูกอม พระก็เป็นกรรมกรกันส่วนใหญ่ในวันนั้นน ะ, นะกรรมฐานเดินยังกรมนั่งสร้างจังหวนี้ไม่มีไปมาแล้วเหมือนกันท้ายสุดเป็นไงล่ะเวลาใกล้าตายต้องมาซบไออุ่นกรรมฐานความรู้สึกตัวต้องให้พระเชียร์อยู่ดั้งใจจะขาดต้องอาบุญมาร่ออยู่ขณะใจจกระดับเนี่ยมันก็เดินทางช้าทุกครั้งที่เราเดินทางก็คือรู้สึกตัวก้างหนึ่งรู้สึกตัวก้างหนึ่ง น, นี่แหตรงนี้มันเป็นลนักษณะของภาวนามันจะเกิดความเจริญรุ่งเรืองมั่งคัง่งเจติปฐานมห า, หาเจติ เ, เต็มรอบขึ้นไหรู้กายรู้นารู้จิตรู้ทันทุกทั้งที่รู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกรู้สึกให้เวลาตัวเอกับเรื่องตรงนี้หน่อยมันเหมือนกับการงานทางจิตทางใจของเราสามารถดูได้เลยการงานของเราเจริญก้าวหน้าะทุกมันลดลงปกติส่วนเพิ่มมากขึ้น อริยสัพพ اي ในมันมีให้พึ่งมากขึ้นคุณธรรมต่างๆมีมากขึ้นมีความอดทนอะไรเงี้ยกระทบแล้วทนได้ร่อมไม่ต้องทนมีอก า, ารวางเฉยมากขึ้นกระทบแล้ววางเฉยมากขึ้นบารมีก็เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมามีทานมากขึ้นมีสติสีสมาธิปัญญามากขึ้นรู้จักอายชั่วกลัวบาปมีกตัญญูรู้คุณค้นมากขึ้นอิจาริษยาลดลง มันติดเครื่องเศร้าหมองภายในจิตใจของเราความโกรธลดลงความรบลดลงตอนนี้ลดลงความไม่ตกกลางวนต่างๆลดลงลามกรลดลงเห็นผิดเป็นชอบลดลงมันมีแต่ความรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันเป็นธรรมที่มันพาไปสู่คุณธรรมต่างๆมากมายเหลือเกินจิตเป็นกุศลกิดเป็นความฉลาด เราก็จึงกลับมาหาวความรู้รู้ตัวฝึกกรรมฐานกันเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ให้นะเป็นข้อมูลที่เราจะต้องรับรู้รับทราบนะไม่ใช่ไปรับข้อมูลข่าวข้อมูลดํากันอย่างอยู่ในองค์กรองค์กรเราก็ต้องพัฒนาต่อไปตัวพัฒนาของโลกขององค์กรมันก็จะต้องมีเช่นผู้นําผู้ตามเนี่ยนะ พูดนำคือใครมองออกไหมพูดตามคือใครมองออกไหมนะข้ยอมนขาวเป็นไงข้อมนดำเป็นไงมองออกไหมหรือว่าทวงความเจริญอยู่เราดูออกไหมใครทวงความเจริญอยู่ oras? ดูออกไหมนะถ้าเป็นคนตาคมๆมันดูออกหมดเลยนะมันเป็นยังไงมาแล้วก็ยังเสพติดอยู่สูบบุหรี่เป็นยังไงกินบุหรี่เป็นยังไงต่างจากฟันไฟไหมเป็นยังไงอย่างเมื่อวาน ก็เดินรอบวัดก็มีคนสอยหลังมดแดงมีมอไซต์จอดอยู่กันหนึ่งมาเจอคนอีกคนหนึงก็ถามว่ามอไซต์สีดําหรือเปล่าก็ไม่มอไซต์สีเหลืองคนนี้มอไซต์สีเหลืองอามาจากบ้านไหนบอกมาจากบ้านกุดงงแล้วก็เดินสวนก็ระเพาะเฉยๆยงั้นไงเดินสวนเฉยไปหละเดินแบบจะพยายามหลบยังมีสติให้เร็วที่สุดนี่เราก็รู้แล้ว พระสามรูปเดินอยู่มันก็ใช้เดินสวนผ่านประเภทนี้มันบอกถึงอะไรมันก็ถอดรหัสออกมาได้ทันทีลวดลอมขอดชิดมันปีนขึ้นมามันก็ไม่ธรรมดาละวเคบอกที่หลังนะมาทางหน้าประตูนั้นมาทางหน้าประตูการนี้ถ้ามันเข้ามาทางหน้าประตูปับ๊บสายตาเราก็ต้องเห็นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เห็นตัวเราเองแต่มาเห็นนอกเห็นใน คนข้างนอกก็เป็นยังไงมันก็เหมือนกับใจเราใจเราเป็นยังไงถ้าเป็นอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้เป็นยังไงแล้วก็ถามตอบกันได้ด้วยใจที่เป็นปกติก็ครั้งที่สองทำไมาอีกก็ยึดไม้ยึดไอ้พวกวัตถุทิฏฐิธรรมนะอามาสอยก็ต้องยึดกันดูแลกันแบบนี้แล้วก็คิดว่าจะต้องเอาป้ายมาเตือนกันเครารพยาทานิ์ มันคงไม่รู้บ้างนี่เป็นวัดป่าสุกโตะเป็นวัดป่ารามสานาพุทธวัดป่ารามมีไว้ทําอะไรก็ต้องมาเขียนป้ายเตือนกันหน่อยเขรือพยทาชนะห้ามตีพึ่งลาสัตว์ตัดสมุนไพรอย่างเงี้ยห้ามมาตีพึ่งนะมันมากันบ่อยมากเพราะฉะนั้นเราได้กินแปลกๆแลนะ้ก็ต้องรู้แล้วว่ากิก่นนี้มันเป็นกิ่นวันหรือกิ่นบุหรีไม่ต้องสัมผัสทรหัดได้ตรงนั้นนะ่ะมันรู้นอก แต่รู้แล้วทำในต่อจะต้องทําดีหรือว่าเข้ากรรมฐานอยู่เมื่อเข้ากรรมฐานอยู่กลิ่นอันนี้เป็นกิ่นยังไงเป็นกิ่นที่ชวนหลงใช่ไหมภาวนาอยู่จะไปทําดีบางทีมันมีเลแล้วสติมันยังไม่มีกําลังก็ไหลไปสู่ความทุกข์นะถ้าสติมันมีมันไม่ใช่เป็นการเก็บอารมณ์อย่างเงี้ยมันก็จะมีสติแล้วเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ก็ถูกต้องถูกที่ถูกทําถูกกฎหมายถูกนิติในแล้วก็ถูกกฎกติกาของสังคมโศกถูกศีลถูกทํำทําถูกถูกทําคิดถูกพูดถูกทําถูกอะไรก็ตามอันนั้ก็เป็นปฏิยาที่มันจะกล้าแสดงออกออกมาทางกายว่าใจเกิดประโยชน์เกิดคุณค่ากันไหมหลวงพ่อมเขียนท่านกระทำนะครั้งหนึ่งท่านเคยเล่าให้เราฟังว่า มีคนชอบหาปลากันในสระน้ำเนี่ยสาดด้านซ้ายเนี่ยเป็นของชาวบ้านแต่หลวงพ่อมีความรู้สึกก็เขตวัดอ่นะเรื่องทีมก็ล่วงล้ามาเนที่สาเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงก็มันมอดอยาขนาดไหนก็มันมันชอบเอาเบ็ดมาเกี่ยวแล้วก็ทิ้งไว้นะยิ่งไปให้อาหารปลาไว้นะปลามันจะเสียนิสัยมากเสร็จแล้วก็เสียงคนเดินมามันก็มาแล้วพอหย่อนเบ็ดไปมันงับทันทีกเรียบร้อยลงหม้อยาบ้านกัน บางทีก็ได้ยินเสียงเวลาหน้าน้ำานะเสียงเ hey ฮ้เ hey ฮ้อยู่นอกวัดนะนอกรั้ววัดนะเพราะปลาวัดมันออกไป้าบ้านก็ไปลุมปอบมาตัวนันก็เ hey ฮ้ไล่จับกันสนุกสนานทำบาปอย่างล่าเริงเ่ง น, นี้ครันี้หลวงพ่อท่านก็ไปเจอนะคนมาปักเบ็ดท่านก็ไปกล่าวเตือนว่าเออ นิมเข็ดวัดเขตวานะบางทีก็ถือมีดมาเดินใส่เลยนะหลวงพ่อว่ามีดขอรุกจากมีดขอมั้ยหลวงพ่อท่านก็บอกว่าเออเอา้าถ้ามาพูดผิดกับฟันเลยแต่ามาพูดผิดไปอนะก็จะยืนใน้ฟันเลยเอา้าวฟันมันก็เดินมาพอพูดอย่างนี้ปั๊บมันก็วางมีดวางมีดแล้วก็คมกราบมันก็พูด ในสิ่งที่อยู่ในศีลในธรรมคนฟังมันก็เออเจอคนแบบนี้มันก็ยอมเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่ก็เราพูดด้วยจิตใจที่มันไม่เป็นปกติไม่รู้เนื้อรู้ตัวเราเกิดไปปลุกความโกรธปลุกโทสะก็ให้มากเกินอะไรเงี้ยราก็ต้องเรียกว่าใช้ให้เป็นเรื่องบางทีเนี่ยหลวงพู่ท่านไปเจอคนหักหน่อไม้ที่มาของกุดดงไผ่นะนาฬิ ก, กุดนั้นมีว้เฝ้าหน่อไม้ หลวงพ่้นพูดหลายครั้งว่าเออจ้าขรงสินสร้างกุดไว้ตรงนี้สักกุดหนึ่งสร้างไว้ตรงนี้สักกุดหนึ่งอาตมาในต้องสามครั้งขึ้นไปถ้าจะใช้ทําอะไรนะพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์พอครั้งที่สามป้าก็จะไขว่ ค, คว้ารดูมีความดียังไงความไม่ดียังไงมีประโยชน์ยังไงมันไม่มีประโยชน์ยังไงมีคุณค่าอย่างไรไม่มีคุณค่าอย่างไรก็หักล้างกันด้วยเหตุได้ผล หรือบางทีบางอย่างครูบาอาจารย์ท่านมีเหตุผลยังไงเราก็ไม่ได้สนใจจะเพียงแค่ว่าท่านต้องการอย่างนี้ใช่ไหมต้องการอย่างนี้ท่านก็รับผิดชอบไปท่านจะทําให้อย่างที่บอกกันแต่ว่าเหตุผลไปต่อคนอื่นเอาเองแล้วกันมาทำมาอนะันนี้ก็ตัดสินใจสร้างกุดดงแผนะ่แลแต่ว่าเดี๋ยวนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ท่านก็อยู่ท่านเหมือนกับว่าอิสระอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้ มันอยู่อยู่ตามเหตุผลใจไปมีเด็กนะ่ยในหมู่บ้านนะ่มาหักหน่อไม้ท่านก็ถามเลยแม่เธอปลูกไว้เหรอแม่เธอปลูกไว้เหรอถ้าเป็นเราพูดกันนะ่นทีปลุกโทสะแต่หลวงพ่อพูดนะ่ไม่เป็นการปลุกโทสะพูดได้น่ารักไหมแม่เธอปลูกไว้เหรอ ถ้เป็นภาษาเราๆนะเราก็ถามแหมมันโปล่ไว้ไงเนี่ยใช่ไหมมันฟังแล้วเออเอาซะหน่อยนะเอาซะหน่อยนะอะอยนะ่างเงี้ยเออมันก็จึงเป็นเรื่องของเรานะที่เราเกิดประโยคน์ตนขึ้นมาจากความรู้เนื้รู้ตัวรู้สึกตัวมันก็เป็นเรื่องที่จะพาคิดพาพูดพาทำไปเรื่องไปในเรื่องของความดีความงามเี้ยราก็เจอจริงๆในโลกใบนี้บะโลมคือสมมติ เราอยู่ในโลกสมมติมีสุขมีทุกข์มีดีมีชั่วเมื่อเกิดหน้าที่คือมาเฉพาะหน้ า, นาเฉพาะหน้าก็จึงบอกกันถึงว่าสิ่งที่ควร ท, ำทํำในตอนนี้ก็คือประมาณในการบริโภคประมาณกันแต่พอดีมันคือยังไงอะพอดีได้มายังไงผลฝวายมายังไงพอดียังไงประมาณในการบริโภคเราถูกรรมผลตาหูจมูกเห็ในกายใจ เป็นพรส่งแลได้มาได้ศีลได้ทำศีล น, นำสุขมาให้ศีล น, นำปกติมาให้ศีล น, นำความเย็นมาให้ศีลคือความเป็นปกติคือรู้จุกตัวเนี่ยนะเสร็จแล้วก็คือมีสติ ร, รู้รูมีองค์แห่งความเพียนลงไปน่ะขยันลงไปใส่ใจลงไปฝึกสติขาชาจาริยานโยกลงไปเป็นเครื่องตื่นในสติในความรู้สึกตัวมันมีศีลมีสมาธิมีปัญญา ในปัญญาก็เกิดคุณธรรมต่างๆมากมายแล้วเกิดไม่เคยก้ า, าหานมันก็ก้ า, าหารขึ้นมาไม่เคยอานหานองค์อ่านมันก็องค์อ่ารขึ้นมาคิดอะไรคิดแบบไม่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดประโยชน์ตนประโยช น, ยชน์ท่านขึ้นมาอะไรที่มันเหมือนกับว่าทำได้มันก็ทำอะไรทำไม่ได้มันก็เรียนรู้ให้เกิดคุณสมบัติขึ้นมาอยู่ตรงไหนก็สามารถยึดกลมกืน อยเขาได้เขาอยู่หมู่โจรเป็นโจรแต่จิตใจไม่ใช่โจรอย่างนีมันก็ต้องทำอย่างนี้บางทีคนพาลม่ได้ฆ่าของบัณฑิตบางทีบัณฑิตมาได้ฆ่าคนพาลบางทีคนมีศีลมีสติมีปัญญาอยู่ในคนพาลทําตัวมีศีลก็ตายลูกเดียวบางทีไปอยู่ในคนมีศีลจะทําตัวเป็นคนพาลก็ทําไม่ได้นั่นเป็นคุณธรรมต้องรู้หลกเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางต่อไป ก็คือหลบมาที่ความรู้เนะรู้ตัวรู้สึกตัวในรูปแบบนอกรูปแบบในสถานที่นอกสถานที่ในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบในเวล า, น, วลานอกเวลาอันนี้ก็คือความรู้สึกตัวรู้สึกตัวอ่าพอดีเห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้เราได้ใช้เวลาได้เกิดประโยชน์สูงสุดเราก็ให้พบกับธรรมะสมควรแก่การวัดโดยทัวหน้าการทุกบตันทุกคนนั้นเอ